กลัวความเจ็บปวดความกลัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของความเจ็บปวดมันทำให้ความเจ็บปวดเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นถ้าตัดความกลัวออกเสียก็จะเหลือแต่ความรู้สึกเจ็บจริงๆเท่านั้น เมื <operation, S 2> ่อประมาณปีพ <pod> ุทธศักราช2520ที่วัดป่าที่แสนจะยากจนและอยู่ห่างไกลชุมชนในภาคอีสานของไทยอาตมาเกิดปวดฟันอย่างหนักที่นั่นไม่มีหมอฟันที่จะไปให้รักษาไม่มีโทรศัพท์และไม่มีไฟฟ้าไม่มียาแอสไพรินยาพาราหรือยาแก้ปวดใดๆในตู้ยา พระป่าต้องอดทนเช่นที่เกิดเสมอๆกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงหัวคำ่ำอาการปวดฟันของอาตมา ก, ก็กำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆอาตมาเห็นว่าตนเองเป็นพระที่ค่อนข้าจะอดทนองค์หนึ่งแต่อาการปวดฟันนี้ มันช่างทดสอบความเข้มแข็งของอาตมาเสียจริงๆปาข้างหนึ่งของอาตมาอัดแน่นไปด้วยความเจ็บปวดมันเป็นการปรวดฟันที่หนักหนาสาักันที่สุดเท่าที่อาตมาเคยประสบมาในชีวิตอาตมาพยายามจะหนีจากความเจ็บปวดด้วยการภาวนาอาตมาเคยเรียนรู้ที่จะกาหนดอยู่กับลมหายใจขณะที่กำลังถูกยุงรุมกัด บางครั้งอาตมานับได้ถึง40ตัวบนร่างของอาตมาและอาตมาก็เคยเอาชนะอารมณ์หนึ่งด้วยการจดจ่ออยู่ที่สิ่งอื่นแต่ความเจ็บปวดครั้งนี้มันเหลือเชื่อจริงๆอาตมาสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้เพียงสองสามวินาทีเท่านั้นเจ้าความปวดก็เตะประตูจิตที่อาตมาพยายามปิดไว้เข้ามาอารวาดอย่างรุนแรงทีเดียว อาตมาลุกขึ้นออกไปพยายามเดินจงกรมข้างนอกในไม่ช้าก็ต้องยกเลิกการเดินจงกรมเช่นกันอาตมาไม่ได้เดินจงกรมแต่อาตมากำลังวิ่งจงกรมอาตมาไม่สามารถเดินช้าๆอย่างมีสติเจ้าความเจ็บปวดมันบังคับอาตมาให้วิ่งแต่ก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนอาตมากำลังทุกข์ทรมานอย่างหนักและ กำลังจะเป็นบ้าอาตมาวิ่งกลับมาที่กุฏินั่งลงและเริ่มสวดมนต์ใครๆเขาว่าบทสวดมนต์ของพุทธศาสนามีพลังศักดิ์สิทธิ์สามารถนำมาซึ่งความโชคดีและทรัพย์สมบัติ กับไล่สัตว์ร้ายและรักษาโรคภัยตลอดจนความเจ็บปวดอาตมาไม่เชื่อหรอกเพราะอาตมาถูกฝึกมาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์้าถาเวทมนต์เป็นเรื่องหลอกลวงใช้ได้กับคนที่หลงเชื่ออะไรง่ายๆได้เท่านั้นแต่อาตมาตั้งต้งตนสวดมนต์ด้วยความหวังเหนือเหตุผลใดๆว่าสิ่ง น, นี้จะช่วยอาตมาได้อาตมากำลังเข้าตาจน แต่ในที่สุดอาตมาก็ต้องหยุดสวดมนต์อีกอาตมากำลังตะโกนและกรีดเสียงตั้งหากตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วและอาตมากลัวว่าเสียงของอาตมาจะปลุกพระองค์อื่นๆวิธีตะโกนท่องบทสวดมนต์นั้นจะสามารถปลุกคนทั้งหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปสองสามกิโลเมตรได้ทีเดียวอํานาจของความเจ็บปวด ทำให้อัตมาไม่สามารถโสดมนแบบปกติได้อัตมาอยู่คนเดียวเป็นพันๆไม้จากบ้านเกิดของอัตมาในป่าที่ไกลโพนปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆอยู่กับความเจ็บปวดที่สุดจะทนทานและหนีไม่พ้น อาตมาทดลองทุกวิถีทางเท่าที่อาตมาจะนึกได้ทุกอย่างจริงๆอาตมาไม่ไหวแล้วมันเป็นเช่นนั้นแหละนาทีแห่งภาวะสิ้นหวังสุดๆเช่นนี้ ก่วยเปิดประตูแห่งปัญญาประตูที่เราจะไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนในชีวิตปกติของเราเมื่อประตูบานนั้นเปิดอ้าต้อนรับอาตมาอาตมาจึงได้ผ่านเข้าไปขอบอกตรงๆว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ อาตมาจำคำสอนสั้นๆได้อย่างไม่มีวันลืมปล่อยวางก่อนหน้านี้อาตมาเคยได้ยินคำคำนี้มาหลายครั้งหลายขนอาตมาเคยชี้แจงความหมายของมันให้เพื่อนๆฟังเสีด้วยซ้ำอาตมาคิดว่าเข้าใจความหมายของมัน แต่กลับเป็นความเข้าใจผิดอาตมาเต็มใจที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอาตมาจึงพยายามปล่อยวางปล่อยวางชนิดร้อเปอร์เซ็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยทีเดียวที่อาตมาสามารถปล่อยวางได้โดยแท้จริง สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้อาตมาถึงกับสะดุง้งความเจ็บปวดสุดจะทนทานนั้นอันตรธานไปในทันทีมันถูกแทนที่ด้วยปีติสุดจะดื่มดาซึ่งบูกวาดในกายของอาตมาระลอกแล้วระลอกเล่าจิตของอาตมาเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบล้ำลึกนิ่งและเป็นสุขยิ่งนะัก บัดน che ี้อาตมาเข้าสมาธิได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเมื่อออกจากสมาธิตอนเช้ามืดอาตมาล้มตัวลงนอนพักผ่อนอาตมาหลับสนิทอย่างสงบสุขและเมื่อตื่นขึ้นมาเพื่อทำกิจวัตรประจำวันอาตมายังรู้สึกปวดฟันอยู่ แต่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่ากับค่ำคืนที่ผ่านมาได้เลย